ตอนที่28กระดิ่งลมเซี่ยชิงจือพยายามฝืนยิ้มออกมาที่ชายเซินท่านวางใจเถิดข้าจะไม่ทําเรื่องผิดพลาดเพราะความหวังดีอีกข้าจะจัดการเรื่องนี้ให้ดีเจ้าค่ะลินเซินยังคงครึ่งเชื่อครึ่งสงสัยแต่เซี่ยชิงจือกลับมีสีหน้าจริงจังอย่างยิ่งที่ชายเซินท่านเชื่อข้าเถิดครั้งนี้ข้าจะจัดการให้ดีที่สุดเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นพระข่าหลายปีมานี้ท่านป้ากับท่านลุงดีต่อข้าถึงเทีงนี้ข้าจะปล่อยให้พวกเขาพลอยลำบากไปด้วยได้อย่างไร เพราะฉะนั้นพวกท่านเชื่อค่าสักครั้งให้ข้าเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองเถิดเจ้าค่ะข้าจะไม่ยอมให้ท่านอองต้องถูกพวกขุนนางฝ่ายตรวจการตำหนิเพราะเรื่องนี้เด็กขาดหลินเซินและคนทั้งสามต่างตกอยู่ในความเงียบชั่วขณนะเสี่ยชิงจือไม่กล่าวอะไรต่อนางหมุนตัวเดินจากไปอย่างเด็ดเดี่ยวหลินเซินคิดจะตามไปแต่ถูกหวางเฟยดึงรั้งไว้ปล่อยให้นางไปเถิดชิงจือของเราไม่ได้ได้ไปกว่านางเด็กตระกูลเย่ยคนนั้นหรอก อย่างน้อยนางก็รู้ตัวว่าก่อเรื่องและรู้จักที่จะออกไปรับผิดชอบด้วยตัวเองเจ้าก็ให้โอกาสนางสักครั้งเถิดลินเซนไร้คำโต้แยง้งแต่ในใจกลับรู้สึกไม่สงบอย่างบอกไม่ถูกนางจะรับผิดชอบได้จริงๆหรือลินเซนไม่ได้หวังให้นางมีความรับผิดชอบอะไรมากมายขอเพียงแค่นางไม่ไปก่อเรื่องเพิ่มอีกก็พอแล้วหลังจากได้รับบทเรียนมาสองครั้งเซี่ยชิงจือควรจะเรียนรู้ที่จะสุ ข, ขุมและรอบคอบขึ้นบ้างแล้วกระมัง เมื่อหวังเฟย์ยืนกรานไม่ให้เขาตามไปหลินเซินจึงทาได้เพียงข่มความไม่สบายใจเหล่านั้นลงไปทางด้านเย่ยเย่าก็คาดไม่ถึงเช่นกันว่าการซ้อนแผนเล่นงานฝ่าบาทและสิ้นอ๋องจะลุกลามกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตพายในจวนสิ้นอ๋องถึงเพียงนี้แต่ในเมื่อเรื่อง น, นี้ไม่ส่งผลกระทบมาถึงนางนางก็คร้านจะไปสนใจว่าจวนสิ้นอ๋องจะเกิดคลื่นลมแรงปานใดเจียนเจีนํากล่องผ้าไหมประนีกล่องหนึ่งมาส่งให้นางพร้อมกับข้อความจากชูฉือ คุณชายเปี่ยวให้คนส่งของมาเจ้าค่ะเขาบอกว่าคุณหนูต้องรับไว้ให้ได้เย่เยาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประมาาขึ้นมาเขายังไม่ยอมตัดใจอีกหรือเจียนเจียแสร้องทำเป็นนิ่งเงียบเยี่เยาเกิดจะกระโดดลงจากม้านั่งหินเขาตั้งใจจะ้ะคุณหนูวางใจเถอดเจ้าค่ะเจียนเจียเลิกกลั่นแกล้งนางคุณชายเปียวไม่ใช่คนประเภทที่ชอบตามตแยไม่เลิกราเจ้ากะเย่เยาถอนหายใจอ ย, อย่างโล่งอกแล้วนั่งลงตามเดิม การหักหน้าเขาต่อหน้าผู้คนเช่นนั้นเยี่เยาเองก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งหากเขายังไม่ยอมตัดใจนางก็คงไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วจริงๆเจียนเจียกล่าวด้วยความเสียดายคุณชายเปี่ยวฝากข้อความมาว่าวันนี้เขาจะลงเรือกลับเจียงหนานแล้วเจ้าค่ะการจากไปครั้งนี้เกรงว่าคงไม่มีโอกาสได้มาเมืองหลวงอีกคุณหนูไม่รู้สึกเสียดายจริงๆหรือเจ้าค่ะคุณชายเปี่ยวดีถึงเพียงนั้นเยี่เยาปลายตามองนางแวบหนึ่งก่อนจะหยิบกล่องผ้าไหมมา ตัวกล่องประนีตงดงามทรงยาวแกะสลักลวดลายละเอียดซับซ้อนเมื่อถือไว้ในมือก็รู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่พอสมควรดูออกเลยว่าของขวัญอำลาชิ้นนี้ฉูชื้ชอต้องใช้ความทุ่มเทยอย่างมากเยี่ยวยอดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มอ่อนโยนออกมาเจียนเจียเอ๋อยขึ้นได้จังหวะพอดีคุณชายเปียวยังบอกอีกว่าเขาเข้าใจในเจตนาของคุณหนูคุณหนูไม่ได้ตั้งใจจะหักหน้าเขาจริงๆ การที่ต้องคล้ากับคุณหนูคุณชายเปี่ยวรู้สึกเสียดายมากจริงๆแต่เขาไม่ได้ถือสาคําพูดที่รุนแรงเหล่านั้นของคุณหนูเลยเจ้าคะ่ะหากวันหน้าคุณหนูมีโอกาสไปเจียงหนานคุณชายเปี่ยวบอกว่าเขายังหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับคุณหนูในฐานะเจ้าบ้านเจ้ากะคิดไม่ถึงว่าเขาจะใจกว้างถึงเพียงนี้ทั้งยังใส่ใจล ะ, ละเอียดรอบคอบรอยยิ้มของเยี่ยากว้างขึ้นแต่กลับแฝงไปด้วยความขมขื่นเล็กน้อยหากไม่มีหลินเซินเข้ามาแทรกแซงนางกับชูชื้อก็คงจะมีความสุขมากกระมัง ช่างหน้าเสียดายนักเจียนเจียมองทะลุถึงความคิดของนางแอบปิดปากหัวเราะแล้วเตือนนางคุณหนูลองดูสิเจ้าเขาว่าคุณชายเปี่ยวส่งอะไรมาให้ยี่เยาปัดกลีบดอกไม้ที่ร่วงหล่นบนโต๊ะหินออกวางกล่องลงแล้วค่อยๆเปิดออกก่อนจะชะงักไปข้างในงไม่ใช่เครื่องประดับล้ำค่าอะไรแต่เป็นกระดิ่งลมที่ประนีดงดงามพวงหนึ่งกระดิ่งสีทองรูปดอกไม้สองลูก้อยด้วยโซ่คริสตัลเป็นประกายดูเล็กกระทัดรัดและน่ารักยิ่งนัก เมื่อหยิบออกมาจากกล่องผ้าไหมก็ได้ยินเสียงกระดิ่งที่ใส่กระจ่างไพเราะจับใจเจียนเจียจําได้ทันทีว่ารูปร่างของกระดิ่งนี้คือดอกหลิงหลันคุณชายเปียวคงจะทราบว่าคุณหนูชอบดอกหลิงหลันที่สุดและชอบกระดิ่งลมที่สุดใช่ไหมเจ้าคะเยี่ยยวางกระดิ่งลมไว้ในมือพลางพินิษ ด, ดูรอยยิ้มแผลซ่านไปถึงดวงตานางพยักหน้าเบาๆเขาเป็นหลานชายสายตรงของที่สาวทัญญาธัญญาตระกูลฉูคือท่านย่าเล็กของข้า เมื่อสิบปีก่อนตอนที่ท่านย่าเล็กยังมีชีวิตอยู่ได้พาเขาเข้าเมืองหลวงท่านย่านานๆที่จะได้พบกับพี่สาวจึงเชิญพวกเขามาพักที่จวนในตอนนั้นพี่ชายชูชือเป็นเด็กหนุ่มที่สุภาพเรียบร้อยมากจริงๆเป็นเจวินจื่อดังหยกและดีต่อข้ามากเหลือเกินเจียนเจียพลันเข้าใจแจ้งที่แท้ตั้งแต่ตอนนั้นคุณชายเปี่ยวก็ทราบแล้วว่าคุณหนูชอบประดิ่งลมและดอกหลิงหลันหรือเจ้าค่ะเยี่ยเยาพยักหน้าอีกครั้ง ตั้งแต่เด็กข้ามักจะพกกระดิ่งลมติดตัวไว้พวงหนึ่งท่านยา่าบอกว่ามันจะช่วยคุ้มครองให้ข้าปลอดภยัยตอนนั้นข้าสนมากพาพี่ชายชูชื้อไปดูดอกหลิงหลันเขาถึงได้รู้ว่าในโลกนี้ยังมีดอกไม้ที่น่ารักถึงเพียงนี้อยู่ด้วยเยี่ยยาวชูกระดิ่งรูปดอกหลิงหลันขึ้นมาปลายนิ้วรูปไล้เบาๆรอยยิ้มยิ่งเข้มขึ้นพี่ชายชูชื้อบอกว่าดอกไม้นี้ดูเหมือนกระดิ่งมากหากทำเป็นกระดิ่งลมคงจะสวยงามน่าดูเขาบอกว่าเมื่อโตขึ้นจะต้องทำกระดิ่งลมเช่นนี้ส่งให้ข้าให้้ได เจียนเจียฟังแล้วรู้สึกหวานล้ำแทนคุณชายเปี่ยวช่างมั่นคงในรักยิ่งนะเขาทำได้จริงๆด้วยส่งกระดิ่งลมพวงนี้มาให้คุณหนูจริงๆรเยี่ยยเอาเหม่อลอยไปชั่วขณะมุมปากยังคงประดับด้วยรอยยิ้มแต่ความคิดกลับล่องลอยไปไกลนั่นสินะกระดิ่งลมไม่ใช่เครื่องประดับล้ำค่าอะไรออกจะดูธรรมดาเสียด้วยซ้ำนอกจากนางแล้วคงไม่มีใครชื่นชอบมันถึงเพียงนี้ชูชื้อเป็นคนแรกที่ได้รับอิทธิพลจากนางจนคล้อยชอบกระดิ่งลมไปด้วย ทั้งยังบอกว่าจะทำกระดิ่งลมรูปดอกหลิงหลันส่งให้นางตอนนั้นเย่ยาวไม่รู้ว่าดีใจมากเพียงใดเพราะตอนนั้นดีใจมากเกินไปนางจึงพร่องออกไปโดยไม่ทันคิดพี่ชายชูชื้อท่านดีเหลือเกินเมื่อข้าโตขึ้นข้าจะแต่งงานกับจวิ้งจื่อเช่นท่านนางยังจำได้ว่าตอนนั้นชู่ชื้อในวัยสิบสองปีอึ้งไปนานมากใบหน้าขาวนวลราวกับหยกแดงกลไปถึงหู ตอนนั้นนางไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรแต่ตอนนี้พอนึกย้อนกลับไปก็นึกเข้าใจจะหลุดหัวเราะออกมาเจียนเจียแปลกใจคุณหนูหัวเราะ อ, อะไรหรือเจ้าค่ะเยีย่ยเยาได้สติกลับมาแล้วหูบรอยยิ้มไม่มีอะไรเจียนเจียเช่นนั้นคุณหนูให้ข้าผูกให้ท่านนะเจ้าค่ะเย่ยเยาพยักหน้าแล้วลุกขึ้นยินเจียนเจียบรนจงผูกกระดิ่งลมไว้ที่เอวของนางยามเดินจะมีเสียงกระดิ่งสายกระจ่างว่ามาภพเราะเป็นพิเศษเยีย่ยเยามองดูกระดิ่งลมที่ประดับอยู่ตรงเอวด้วยความดีใจ ข้าเองก็ไม่ได้แขวนกระดิ่งลมติดตัวมานานมากแล้วจำได้ว่าเป็นปีเดียวกันนั้นเองที่ไปไหว้พระกับท่านย่าแล้วทำกระดิ่งลมพวงที่รักที่สุดหายไปหลังจากนั้น<ๆ>ก็ไม่เจอพวงที่ถูกใจอีกเลยเจียนเจียหัวเราะนี่อย่างไรเจ้ากับคุณชายเปี่ยวช่างรู้ใจท่านจริงๆในที่สุดก็ส่งพวงที่ถูกใจมาให้ท่านจนได้เสียงกระดิ่งที่ใส่กระจางนั้นไม่ได้ดังเกินไปนักยามก้าวเดินจะว่ามาให้ได้ยินเป็นระยะเยี่ยวชอบมันมากจริงๆ ขณะที่กําลังชื่นชมอยู่นั้นไปลูกก็เดินเข้ามาแจ้งข่าวด้วยสีหน้าแปลกประหลาดคุณหนูเจ้าค่ะคุณหนูเสี่ยชิงจือส่งเทียบเชิญมาเจ้าค่ะยี่ยเยาวประหลาดใจรอยยิ้มเลือนหายไปทันทีนางรับเทียบเชิญที่ไปลูกส่งให้มาดูเพียงปราดเดียวก็เห็นตราประจําจวนสิ้นอองบนนั้นยี่ยเยารู้สึกแสบตาเล็กน้อยจึงเมินเฉยไปนางเปิดเทียบเชิญออกดูคิ้วเรียวค่อยๆขมวดเข้าหากันหลังจากอ่านจบนางก็ค่อยๆวางเทียบเชิญลงพลางเอ่อยอย่างสงสยัย เซีย่ยชิงจือนัดข้าไปที่หอทิงสเสวีบอกว่ามีธุระสำคัญจะหาเรือสาวใช้ทั้งสองตาโตรีบเอ่ยเตือนทันทีคุณหนูอย่าไปเลยเจ้าขาเซีย่ยชิงจือคนนี้ปรากฏตัวทีไรเป็นต้องมีเรื่องทุกทีนั่นสิเจ้าข้าอีกอย่างมือสังหารเมื่อคราวก่อนก็ยังจับไม่ได้เลยอันตรายเกินไปแล้วเจ้าข่ะ